ได้บอกทิศให้ลูกหลานฟังเข้ามาเมื่อก็เข้ามาในป่าไม่รู้จัดทิศไหนตะทิศไหนตรงที่เราอยู่นี่มันอยู่ในในคุ้งจังหวัดเลยอยู่นี่น้องคา ย, ยนี่อุดอรติดสามจังหวัดตรงที่เราอยู่เนติดอยู่ในสามจังหวัดจังหวัดน้องคายก็ไปนี่ก็ไม่ไกลไปข้ามฟ้ามเขาไปทางโน้นก็เป็นจังหวัดเลยจังหวัดอุดอรเพราะว่าโค้งเข้ามากิน ติดสองจังหวัดจังหวัดน้องคายกับจังหวัดเตยมันชนกันติดน้ําโขงแต่อุดรไม่ไม่ติดน้ําโขงแต่มันมันติดน้องคายกับติดอุดรเนื้อที่วัดคองหลวงพอ่อทั้งหมดพันสามร้อยกว่าไร่พันสามร้อยกว่าไร่แต่มีมกําแพงล้อมรอบกําแพงสองมตท่าสิบสูงสองเมตท่าสิบเป็นคํำ กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กสมัยเมื่อสร้าง2530 37 38ใช้ทุนก่อสร้างทั้งหมด20กว่าล้านกำแพงนียาว6กิโลกว่า700กว่าเมตรเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กแต่องตา มหาบัวเป็นผู้ออกทุนผู้ให้ทุนในการก่อสร้างไม่ใช่ทุนของหลวงพอ่อแต่ทําไมหลวงตาึงท่านจึงให้ทุนท่านมาดูมาดูหลายครั้งท่านมาเยี่ยมวัดหลวง พ, พ่อแลวพ่อพันท่านมาดูท่านบอกอืควรจะควรจะทํากําแพงถ้าไม่ทํากําแพงเนี่ยคงรักษาไม่อยู่ วัดกว้างขนาดนี้เพราะว่าต่อไปภายภาคหน้าคนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะแย่งที่อันดับแรกพระมาอยู่ถ้าองค์ที่มาอยู่เนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วว่ามีอำนาจวาสนาใกล้ๆว่าเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนก็ไม่มีปัญหาถ้าสมภารไหนมาอยู่แล้วไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชน ชุมชนเขาก็จะเข้ามาอันดับแรกก็คือมาล่าสัตว์ในวัดพอมาล่าสัตว์แล้วก็ตัดต้นไม้ในวัดที่เขาต้องการต่อไปสมพานก็อยู่มไม่ไหวก็เผ่นพอสมพานเผ่นนี้นะจากนั้นก็ต่างคนกระ บ, บุกลุกก็หมดไปโดยปริยายแต่ถ้าทำกำแพงไว้แล้ววัดก็จะอยู่เพราะมันมีขอบเขต หลวงตาท่นคิดไกลนะะทําจะทํากอมเพงก็ทําแ ต, แต่จะสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์สร้างวิหารนะเราไม่เห็นด้วยเพราะสร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ทําสังฆกรรมอะไรเพราะอยู่ในป่าโบสถ์และวิหารมันต้องอยู่ในเมืองอยู่ในป่าเนี่ยมันน่าจะซาลากิดเพียงพอแล้วห ล, หลังเดียวถ้าว่าดูในเมืองนะ มันก็อีกส่วนหนึ่งเพราะว่ามันแขกคนมาต่างชาติต่างที่ไหนก็มาดูมาเห็นเราจะไปทำแบบซ่อมซอก็ไม่ได้มันต้องอวดแขกบ้านแขกเมืองพออยู่ในเมืองมันต้องถูกอยู่ในการละเทศะทำมาอยู่ในป่าอย่างนี้พอสร้างขึ้นมายี่สิบสามสิบล้านมีแต่ พระพุทธรูปอยู่ในศาลาเท่านั้นขังพระพุทธรูปไว้อยู่ในนั้นไม่ได้ทำสังฆกรรมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราไม่เห็นด้วยตาหอาบววแต่ถึงจะทำกำแพงล้อมวัดนี่ก็เถอะบางคนก็จะต้องเขาก็จะต้องตาหนิว่าทำไมเอาเงินมาล้อมป่าเอากำแพงมาล้อมป่าอย่างนี้ดูๆแล้วก็เสียเงินมากเปล่า ได้ประโยชน์น้อยมากรักษาป่าด้วยเวลารักษาที่แห่งนี้ลักษณะอย่างนั้นแต่เราคิดไกลกว่านั้นเราคิดไกลกว่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ใช่คนยังมองไม่เห็นว่าคุณภาพของป่านี่ยมีประโยชน์อย่างไรต่อไปภายภาคหน้านะเงินยี่สิบล้านกับป่าผืนนีนะ้จะเทียบกันไม่ติดป่าป่าผืนนี้กับเงินยี่สิบล้านนะ จะเทียบกันไม่ติดเพราะว่าราคาเงินที่ใช้จ่ายไปเพียงจิ๊บจ้อยแต่ป่าปาพื้นนี่จะมีประโยชน์มากกว่านั้นอันนี้คือลงตาท่านท่านพูดนะจากนั้นท่านก็ให้ทุนมาสร้างเกษตรเรียบร้อยล้อมรอบหมดแล้วพอเนี่นก็มีในวัดของเราก็มีที่แรกก็มีหมูป่ามีเก้งมีเก้งมีหมูป่ามีลิงมีข้างมีชนี ไก่ป่างูเหลืองงูเหา่างูจงอางครบทีมเหมือนกันนะแต่หมูป่าหรือหมูป่าออกจับไปปล่อยที่ทุ่งกําลังร้อยกว่าตัวแล้วก็ไปปล่อยที่ภูหลวงอีกเท่าไหร่มันเกือบพร้อยเหมือนกันมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งหมดนะเขี่ยวโค้งเลยเหมือนกะันพอทีแรกกคคิดว่ามันเป็นหมูป่ากคงไม่เป็นไรปล่อยกัน ทิ้งไว้ต่อมาต่อมามันขยายพันธุ์พอมันขยายพันธุ์เลยมันไม่กลัวคนนี้แค่หน่งเหมือนกับหมังขังหมูขังหมูใส่คนขังคนใส่หมูนะเออมันอยู่ในคอกเดียวกันตอนนี้มันก็หากินตามลําพังของมาันเลเออเห็นคนก็มันก็เฉยเฉยไม่กลัวเหมือนกันพอเห็นคนมันมีแต่หัวหมุดเข้าป่าเลยยังปล่อยทั้งก้นมันออกมาเฉย มันไม่ได้สนใจเห็นหมาอาชินเซี่ยนนี่ตายเพราะมันนะหมาเอี่ยตัว่าแมนอาชินเซี่ยนเน่ตายไปกัดมันเละกระโดดใช่มันมันหันหลังฟับเตียวท่านั้นมันเอาเขี้ยวสะบัดใส่ท่านั่นะเข้าคอพอดีเออกระโดดออกมาแงะแงะในตัวบ้าใหญ่หมานะตอนมันไม่กลัวเลยเลยเรื่องหมาเห็นหมาแล้วมันไม่ได้ เนี่ะทุกตะทานเลยหมาเนี่กลัวมันเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อคนก็เหมือนกันเถ้าคนก็ไปใกล้ก็มันก็เอาคนก็กลัวมันอีกเหมือนกันแบบนี้เออก็เลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยไปหาปุถุสัตว์จังหวัดพวกแพทย์สัตวแพทย์จังหวัดอะไรอะไรมาก็เลยทําคอกตำมกรงจับไปปล่อยแต่ลูกหลานก็คงจะจะรู้เหมือนกันว่า จะจับยังไงจับหูไปปล่อยเชอสรุปแล้วคือต้องใช้ปัญญาเหมนะถ้าใช้ปัญญาเหนือมันจะจับได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่ได้เลยจับหูป่าอันตรายมากถึงตายได้เหมือนกันใช้ทุนการจับโอ้พอแรงผลลัพธ์ก็ประสบความสําเร็จจบจับไปเกือบหมดยังเหลือไม่กี่ตัวยังมือมีอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ หลบหลบซ่อนๆ่อนของมันแหละแต่ว่าเลีงเน่ยเยอะแยะแต่หมูป่าเนี่หมดแล้วลียงเนะ่ยยังเยอะอยู่เลีงนี่นก็จับไปปล่อยที่อื่นเหมือนกันเพราะมันมันขยายพันธุ์มากอันนี้คือสัตว์ป่านะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนั่นก็คือพวกเรามาอยู่ป่าในป่าของหลวงพ่อมีสัตว์อะไรบ้างนะแต่งูจงอางงูเห่างูเหลือมมีแต่หนาวหนาวอยู ก็เคยเห็นอยงูเหลือมตัวบักใหญ่นะตัวเท่าปากกระโถนก็มีกระติกน้ํานี่ยมีกินคนได้นะพูดง่ายงาย่แต่ว่าถึงยังไงไม่ต้องกลัวเพราะเหตุไรเพราะมีฟลูมีไฟฉายขนาดมองขนาดเป็นสักสิบยี่สิบเมตรนี่สายไฟไปเลยแสงมันจะท้อนมาถูกไฟแลเราเห็นได้ไกลพวกงูเหลือมเนี่ยนะอออพอเห็นแสงสะท้อนวาบออกมาแล้วเราจะไปใกล้มันทําไงใช่ไหม แล้วก็ต้องอยู่ห่างแล้วมันก็ไปของมันแล้วก็ผ่านไปแต่งูจงอางเนี่ยโดยมากมันจะไม่ออกกลางกลางคืนมันจะออกในช่วงบ่ายช่วงเช้ามืดหน่อยแล้วก็ช่วงบ่ายมันออกหากินเราต้องรู้จักห า, าในช่วงที่มันออกหากิน่กนะก็ระวังระวังก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนกันะมีจงอางก็มีแต่ไม่เคย แต่ที่งูที่อันตรายก็คืองูเขียวหางไหม้งูเขียวหางไหม้หหมนี่อันตรายอยู่เพราะบางทีคนนะก็ชลาใจเวลาเดินไปก็คุยกันไปไม่ได้มองถนนพอไปก็ไปเหยียบพางมันก็ ก, กัดมับ่บเลยแต่ก็เป็นพนิษนะงูเขียวหางไหม้แต่ไม่ถึงก็ตายแต่เจ็บปวดพอสมควรอันนี้ก็คือ อสรพิทอยู่ในวัดของหลวงพ่อนะพวกลูกหลานมาสู่วัดว่าศาสน า, าเข้ามาอยู่วัดนะหลวงพ่อวันน่าจะเริ่มทำาศาสนพิธีสักหน่อยไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลทำเป็นพิธีดูซิว่าลูกหลานเนี่ยเป็นพุทธมามกะไหม ว่ายพระเป็นหรือเปล่าใครเป็นผู้นำแต่ไม่ต้องพูดมากนะลาหั่งสวาคาโตสุปฏิปันโนไม่อย่างพันเตจากนั้นก็รับสินแต่พร้อมกันนะไม่ให้เอาไม่ให้เอาคนใดคนหนึ่งหลวงพ่อไปอินโดนีเซียนะ่ชาวอินโดนีเซียขนาดเขายังเป็นศาสนาอื่นตั้งเยอะแยะเขายังพร้อมกันตตัวเด็กๆ เ, เล็กๆนี่นั่ง หลวงพ่อไปยี่อะไรหอประชุมกอร์ุนเตอร์นะกอร์เซกอร์เซนเตอร์จุดจาการตาหอประชุมใหญ่เขาคงจะเออศูนย์สิลิกิตนะนัสถาอย่างนั้ น, น่ะเป็นประจําประจําจำจำในเมืองเขามีแอร์ติดทั้งหลังเวลาเขามาคนมาทาั้งห้าหกร้อยพอต่อมาอีก เกือบคนจะเป็นพันวันที่สองกันโอ้เขามาจากนั่นอะเวลาเขาไหว้พระเขาไหว้พร้อมกันนะตรงพ่อเขาคิดแล้เขาจะไหว้พระเป็นหรือเปล่าพราะเขากราบเขากราบสวยอีกต่างหากไม่ไม่ใช่กราบเหมือนเมืองไทยนะกราบเมืองไทยเนี่ยเหมือนกับฟักลาบปปปปปเมืองไทยกราบแต่เขากลาบนะเขากราบรวยเบญจางขปดิษนะนั่งคุกเข่ากราบหัวเข่าอ่าแล้วก็แขนหน้าผากจดพื้น เอเขากราบอืเขาสอนได้กันได้ดีว่ะอจากนั้นก็กล่าวพร้อมกัน阿拉หังสวากาโตสุปฏิปโนจากนั้นอาราธนาเทศมะยังพันเตไอไอาราธนาศินมะยังพันเตติสระเณนัสหะปัญจศีลานิยาจามะเขาก็พูดพร้อมกันไายผมมาจะโลกาติปฏิสามปติเขาก็พูดพร้อมกันนาย วิปติปฏิปะหายอาราธนาพระปริเขาก็พูดพร้อมกันได้เออเก่งว่ะหออลวงพ่อเมืองไทยของเราเนี่ยพอมาเดหัวหน้าเป็นคนพูดเดี่ยหมูมม่มอห ม, มู่มอห ม, มู่มไอ้พวกคนทั้งหลายก็ัดนมมือพร้อมๆกันแต่ตามไม่จริงพะหลวงพ่อน่าจะพูดพร้อมกันเลยได้ไม่ได้ก็ต้องพูดพร้อมกันต่อไปก็จะเพื่อ เ, เพื่อเป็นการศึกษาเออเพื่อเป็นการศึกษาเออไม่ใช่พระองค์คนที่ไป่พูดไม่ได้ก็ไม่พูดแล้วไม่รู้เลยเอ่อมีถ้าไม่มีหัวหน้านไม่รู้จะทำไงมองกันมองไป ม, มองมาเอาหัวหน้าไปทำข้อประธา น, เ, นเออไปจุดทูบเทียนอลประธานแล้วประธานจุดทูบเทียน นั่งสบายๆนั่งพับเพียบสบายๆก่อนที่จะก่อนที่จะรับสินหลวงพ่อจะแนะนำเรื่องของสินให้แก่ลูกหลานให้ได้รับทราบเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแล้วแลว้วก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสินมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไร ทำไมบรรพบุรุษของพวกเรามีาศาสนาพิธีขึ้นมาแล้วจึงไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลทำไมจึงให้จึงไม่จึงไม่พารับศีลและอันดับแรกลูกหลานก็คงจะไม่ได้บวชเรียนเขียนอ่านคงจะรู้เรื่องกฎระเบียบธรรมเนียมประเพณี เขาคงจะน้อยและอีกอย่างหนึ่งคําพูดก็โดยมากเป็นภาษาบาลีอย่างพวกลูกหลานได้ตั้งแต่ไหว้พระอาหารหังสวะคาโตสุปฏิปัโนมายังพันเตวิสุงวิสุงทําไมบางครั้งจึงว่ามายังพันเตติสระเนนจ่าหะปัญจศีลาแต่บางกลุ่มบางคณะก็บอกว่ามายังพันเตวิสุงวิสุงแต่รักษาศีลห้าเหมือนกัน ทำไมจึงมีสองมาตรฐานหรือมีสองแนวทางอย่างนี้ฮลูกหลานก็คงไม่ได้สนใจถ้าไม่ได้สนใจแต่ถ้าว่าผู้สนใจก็ต้องคิดว่าไอ้ทาไมจึงมีสองสองอย่างเพออราะอาราธนาสีนมะยังพันเตติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะอันหนึ่งก็บอกามะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ แต่ศีลห้าเหมือนกันปัญจะศีลานยปัญจะแปลว่าห้าศีลาแปลว่าศีลอันนี้ก็ลูกหลานทั้งหลายก็คงจะไม่ได้ฝังหรือไม่ได้ศึกษาแต่บางท่านอาจจะรู้นะแต่หลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังพ่อเป็นเพื่องปรับสติปัญญาของพวกเรานะคาว่ามะยังปันเตวิติสระเนศสหปัญจะ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานศินทั้งห้าข้อพร้อมกันเพื่อจะได้แลกได้รักษาศินและสมาทานศินต่อไปแล้วข่าวว่าพยังพันเตวิสูงวิสูงอันนี้ก็คือข้าพเจ้าขอรักษาศินเป็นข้อข้อข้อที่หนึ่งถึงข้อห้าแต่ถ้าอันดับแรกนั่นคือปัญจศิลานิยญยาจามะนั้นถ้าว่าเรารักษาศินเป็นกลุ่มถ้ามันขาด มันก well, ็ขาดไปทั้งทั้งหมดแปลว่าขาดศีลไปเลยแต่ว่าพระยังพันเตวิสูงวิสูงนะครับเข้าไปเจ้าจะรักษาศีลเป็นข้อข้อข้อข้อนี้คล้ายๆเขาว่ามันขาดข้อหนึ่งเราตบยุงขาดไปข้อหนึ่งเนียข้อที่สองไปขโมยของเขาไปโวยกินขนมเขาขาดศีลข้อที่สองข้อที่สามประพฤติผิดทำเนียมประเพณีเย สามีภรรยาลูกหลานคนอื่นเขาสีดเป็นขาดเป็นข้อที่สามข้อที่สี่โกโก้หกเขาขาดสินข้อที่สี่ข้อที่ห้าไปดื่มของมืมนเมาสุราเมลยัยเออคันชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนเข้าไปอันนี้ขาดสินข้อข้อห้านี่ก็คือขาดเป็นทีละข้อละข้ออยงพิสูจน์สู ง, สงคือไม่ขาดพร้อมกัน แต่ปัญจศีลานี่ไปว่าขาดพร้อมกันเลยปัญจศีลานมาอย่างพันเตติชนเนศสหปัญจศีลาแต่ผิสูงผิวสูงนะขาดที่ละข้อละข้อฮะนี่แหละแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่ารักษาสินทั้งทีก็น่าจะเป็นปัญจศีลานให้เป็นกลุ่มเลยให้เพื่อรักษาให้เป็นแนวออพอรักษาทั้งทีจะให้มันตกต ก, ตกล น, ลนทีละ ทำที่ถ้ขยึกขยักทำที่ละข้อได้ยังไงฮะทาให้มันเต็มเปรียมเลยจึงจะถูกหลวงพ่อว่านะแต่เหมือนเราทาํามาค้าขายเนะี่ยเราจะไปเก็บที่ละห้าสิบจตางค์ที่ละสิบถึงได้ยังไงถ้าทําทั้งทีกับขั้จะทำให้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไปเลยนะมันรวยไปเลยแบบนั้นนี่แหละคือข้าวอาราธนาสินจากนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้พานํา ว่าน้าโมตัสาคําว่าน้าโมตสาเนี่คืออะไรลูกหลานก็คงจะไม่ได้ได้ศึกษาอีกเหมือนกันไม่ยังหน้โมตสาเพระคำว่าตัวราตัวสัมมาสัมพุทธสารความแปลและความหมายก็ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนอบน้อมร พ, ธธ พ, รพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนา เป็นต้นความคิด เ, เรื่องศีลห้าเนี่ยเพราะนั้นก่อนที่เราจะสมาทานศีลห้าคือนำความคิดของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้แล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อปรับรักษากายวายจาของเราให้เรียบร้อย ท, ที่เป็นศีลจากนั้นก็หลวงพ่อจะพานำพุทธทางธรรมังสังขัง สรนางคัจฉามิดูติยมปิดตาตียมปีพูดทางทำหมังสังหังสารนางคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งอันนี้ก็คือพูดเป็นข้อๆไปยืนยันถึงสามครั้งจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งทําไมเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เอง จากนั้นได้ประกาศทำเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาที่เราได้ปฏิบัติ ด, ดูแล้วล้วนแล้วจะเป็นธรรมะให้ความร่มเย็นเป็นถุขต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าเราปฏิบัติได้แล้วก็มีแต่ความผาสุกอันนี้คือศินเพราะฉะนั้นเราจึงนอบน้อมพระธรรม พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้นำพระธรรมคำสั่งสอนออกมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษากับเพาะพระสงฆ์แต่ถ้าว่าพระสงฆ์ไม่ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าในขณะที่หลวงพ่อพูดอย่าไปถ่ายรูปนะอยู่ในความสงบซะก่อนอจนกว่าหลวงพ่อพูดจบแล้วยังค่อยจะถ่ายค่อยถ่ายนะ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 เราก็ไม่มีความรู้สึกอะไรพราเราไปฆ่าเขาแต่ในเมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่พี่น้องวงศาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขามีความรู้สึกอย่างไงเขาเสียใจเพราะญาติพี่น้องพ่อแม่เขาได้ล้มหายตายจากไปเพราะน้ํามือของเราถ้าเขามาฆ่าเราล่ะ เราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันเนี่ยมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ระทมในชุมชนในกลุ่มคนที่อยู่ด้วยกันเพราะฉนั้นท่านจึงบัญญัติสินศินสรุปแล้วก็คือเหมือนกับกฎหมายเน่ยคือกฎหมายถ้าโลกเขาว่ากฎหมายพระสงฆ์ที่ว่าท่านวัดศินแต่ตามไม่จริงความหมายก็คืออันเดียวกันเพียงแต่ ตั้งชื่อเรียกภาษาออกมาแตกแตกต่างกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นศินข้อที่หนึ่งเราคิดเรามาพิจารณาดูแล้วว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติศินข้อที่หนึ่งเป็นต้นต่ อ, อต้นต่อต้นเงาของความชั่วในการเปลียดเบียนซึ่งกันละกันอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีอย่าขาโมยคนอื่นเขา ถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียอกเสียใจเสียความรู้สึกถ้าเขามาขโมยของเราก็เช่นเดียวกันคำว่าขโมยคำนี้ไม่ใช่ว่าขโมยแต่รองเท้าขโมยของเล็กน้อยขโมยเงินคำทรัพสมบัติขโมยรถลาแมาวิ่งอะไรขโมยพ่อแม่ของเขาไปเรียกค่าไถ่อย่างนี้ขโมยลูกหลานของเขาเขาไปเรียกค่าไถ่อย่างนี้ ขโมยแต่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็เสียความรู้สึกอย่างมากถ้าถ้าเขามาขโมยเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สองอย่าขโมยกันศินข้อที่สกาเมสุมิชขาจาราเว ร, รมณีอย่าไปประพฤต ละเมิดละลาบละลาบละล่วงสามีภรรยาคนอื่นเขาให้เคารพสิทธิ์ของเขาเคารพอธิปไตยของเขาเพราะของใครเขาก็รักสงวนหัวแหนงของเขาเขามีพี่มีน้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขามีลูกมีหลานของเขาเขาก็รักสกุลของเขาถ้าว่าเราไปสู่ขอตามประเพณีนั่นคือประเพณีของโลกมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปทา ไม่ถูกต้องตามกฎกระเบียบประเพณีนั้นอันนั้นคือความไม่ถูกต้องเขาเสียใจมาทํากับเราก็เหมือนกันเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สามให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสินข้อที่สี่มุสาวาทาเว ร, รมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าว่าเราไปโกต้มตุ๋นโกหกหลอกลวงเขา การต้มถุนหลอกลวงโกหกปีมากมายทุกวันนี้เพราะพระพเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีให้พวกเราสังเกตดูนะถ้าหมู่ของเราใครก็ตามถ้าว่าชอบโกหกตอแหลหาความสัตย์ความจริงไม่ได้ทั้งที่รู้รู้นะเขาคนนั้นไม่น่าไว้ใจ คนนั้นจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นให้พวกเราสังเกตนะนี่ยเรื่องโกหกเนี่ยมันไม่ใช่โกหกธรรมดาต้มถุงหลอกลวงเออที่โลกทุงวันนีย้ยู่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันวความต่อแหล่ความโกหกกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นศินข้อที่สี่นัก็เป็นศินอันตรายอย่างมากข้อหนึ่งเหมือนกัน สินข้อที่ห้าสุราเมรยมัชชะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพวกเราแต่ละปีประเทศชาติของเราแต่ละปีปีใหม่สงกรานวันเทศกาลดื่มสุราแล้วก็ขับรถปีแต่ละปีเสียหายผีน้องประชาชนตายไปแต่แต่ละปีไม่ใช่น้อยเพราะดื่มสุรา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราตัวของเมินเมาคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโคเคนยาบ้ายา마าถ้าใครดื่มเข้าไปแปลว่าสมองของเราผิดปกติปั่นป่วนขาดสติคนที่ขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะมันขาดสติคนขาดสติเรามองอีกแบบหนึ่งก็คือคนบ้า คนบ้าเก็คือคนขาดสติคนเมาสุราก็คือคนขาดสติถ้าคนขาดสติแล้วถ้าเขามีสตราอาวุธอยู่ในมือมีปืนผาหน้าไม้มีมีดมีของคมเราก็น่ากลัวเขาเหมือนกันนะเพราะเขาขาดสติไม่รู้ว่าจะออกมาไม้ไหนเพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่ากินดื่มสุราเข้าไปต้องขาดสติแล้วจะไปดื่มทําไม เราไปดื่มเพื่ออะไรทไําไมจึงดื่มเรารู้อยู่แล้วมันมันขาดสติถ้าขาดสติแล้วเป็นยังไงเราชอบให้คนขาดสติถ้าเราไม่ชอบคนขาดสติเราก็ไม่ควรจะดื่มสุราถ้าดื่มนิดหน่อยเป็นยังไงคําว่านิดหน่อยคํานี้นะ่ะใครเป็นคนตั้งเป็นคนขีดว่าชิดนิดหน่อยในเมื่อดื่มเข้าไปแล้วมันก็ขาดสติมันก็ดื่มไปเรื่อยพอดื่มไปเรนะื่อยน่ะเป็นยังไงมันไม่มีหรอกว่าคำว่านิดหน่อยมีแต่มากไปเรื่อยๆ เพรานั้นศีลข้อที่ห้าเป็นศีลอันตรายอย่างมากข้อที่หนึ่งถ้าลักถ้าคนขาดศีลข้อที่หนึ่งแล้วสามารถทําความชั่วได้ทุกอย่างทีนี้เพราะมันขาดสติฆ่าใครก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้ทั้งหมดเพื่อนฝูงทําอะไรปู่ยี่ปู่ย้ำได้ทั้งหมดอทิ น, นาทานขโมยของใครก็ได้เพราะขาดสติ อย่ข้อที่สามกามเมสุมิจฉยจาราเวรบมีระหับระลวงลูกหลานสามีภรรยาของใครก็ได้ทั้งหมดโกหกใครก็ได้ทั้งหมดอีกต่างหากเพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นศินห้าข้อเนี่ยให้ลูกหลานทั้งหลายเมื่อฟังไปแล้วให้สังเกตจริงไหมที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อเอาความจริงมาพูดหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักเหตุผล จับต้องได้ไตรตรองด้วยเหตุและผลได้อันนี้หลวงพ่อพูดอย่างสุดโต่งให้ฟังแต่ก็ไม่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นทุกข้อไปแต่ว่าถุยในถ้ามันเป็นอย่างนั้นเข้ามาจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่หลวงหลวงพ่ออธิบายให้แก่ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราจะให้ใครเป็นผู้รักษาจะให้พระสงฆ์หรือคนแก่เป็นคนรักษาอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของใครจะต้องรักษาเป็นผู้ดูแลหรือว่าเป็นผู้รักษากฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายนจะเป็นใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายคนที่รู้กฎหมายคนที่เรียนกฎหมายเท่านั้นแหละสมควรที่จะปฏิบัติตามกฎหมายรักษากฎหมายอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคนในชาติชาติไทยทุกคน ถึงจะรู้กฎหมายหรือไม่รู้กฎหมายในเมื่อกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาแล้วทุกคนต้องเคารพถ้าไทยทำผิดก็ต้องได้รับความผิดต้องตักเตือนต้องจับเข้าคุกเขาตารางต่ำสินไหมโทษประหารตามขั้นตอนเพราะเหตุใดเพราะว่ากฎหมายที่ตั้งขึ้นมาแล้วนี่สินก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาแล้วพุทธบริษัทสี่ของพระ อ, องค์ก็ต้องเคารพ ให้ควรไตรตรองเหตุและผลว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนต่อประเทศชาติต่อโลกในเมื่อเราเห็นคุณค่าของศีลแล้วเราควรจะสมาทานศีลถือรักษาไม่ได้แล้วก็เชิดชูบูช า, าไว้ว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์จริงถ้าว่าผู้ใด ร, รักษาได้โลกในยุคนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นผาสุก แต่โลกทั้งโลกท่าว่ารักษาศีลลวกขาดศีลมากๆในยุคใดโยกโลกในยุคนั้นก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นลูกหลาน ท, ลาทั้งหลายที่มาสู่วัดของหลวงพ่อเนี่แหละคนโบราณบรรพบุรุษของพวกเราเมื่อสู่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาศาสนาพิธี เขาจึงให้ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลให้บริสุทธิ์คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยซะก่อนถ้าคนมีศีลอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันเพราะนั้นลูกหลานเมื่อรับทราบรู้เรื่องของศีลแล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพทุทธัสสะ อิมานิปัญจสิกขาปธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปธาสีเลนะนิผูติงยันติตัดสมาสีลังวิโสธาเยนต่อไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนายกถาให้แก่ลูกหลานได้ฟังเพื่อการศึกษาตอลูกหลาน ไปนัดสถานที่ใดไปเพื่อการศึกษาพวกเราจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการศึกษาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังฟังผิดฟังถูกเราก็ฟังและเมื่อฟังแล้วจะเกิดประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังอะวนันก่อนที่หลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้ฟังขอให้ลูกหลานอยู่ในความสงบอย่าไปถ่ายย้ำถ่ายรูปนะถ่ายลายถ่ายรูปที่มีแฟดเนะี่ย ไม่ได้หลวงพ่ออยู่ในป่าดวงพงไพ่ยอย่างลูกหลานได้เห็นนี่แหละถ้าแฟดเข้าตาแล้วหลวงพ่อพูดหลงหน้าลืมหลังไปเรื่อยแล้วก็เวลาอยู่ในศาลาหลวงพ่อหลวงพ่อกำลังพูดจะคุยกันให้อยู่ในความสงบซะก่อนพกเรามาศึกษาถ้าเราต้องการคุยกันสองคนเรานะลงถนนออกอยู่นอกศาลาไปคุยกันอยู่ข้างนอก เพาศาลาเนี่ยเป็นสถานที่ฟังเราไปในสถานที่ใดเราตรงเรียนรู้กับสถานที่นั้นๆการะเทสาบุคคลอัฏฐัญตตาอัฏฐัญตตาปริสันัญตตาปุคระปะโรปรันยัตาเมื่อเข้ามาหาชุมชนนี้เราควรทําตนอย่างไรเมื่อเข้ามาห า, ามาณสถานที่แห่งนี้ควรทําตนอย่างไร นี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไว้หมดเพื่อให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาสรุปแรกก็คือไปนัสถานที่ใดต้องไปเรียนรู้ต้องไปศึกษาไม่ใช่ว่าไปที่ไหนเอาตัวของเราไปขวางเขาหมดออแล้วจะเราจะได้รับความรู้ความฉลาดได้ได้อย่างไร เ, ออเพราะฉนั้นขอให้ลูกหลานจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าให้ลูกหลานต้องใฝ่ในการศึกษา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 เหตุผลจะได้รับความผ่องใสเนี่ยอธิสงแห่งการฟังเพราะนั้นพวกคณะลูกหลานวันนี้ที่ลูงพ่อได้รับจดหมายมาตั้งแต่วันที่สิบห้าตุลาณ์นะเขาลงวันที่สิบห้าตุลาวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกาพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเขาจดหมายที่ํำฉบับนี้เขาบอกว่านะที่ลูกหลานมาเนี่ครัา สำนักงานกอพอถนนพิศนุโลกกทมวันที่๕ตุลาคมพุทธศักราช2553เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานและการใช้สถานที่นมัสการเจ้าวาดวัดป่านาคำน้อยสิ่งที่ส่งมาด้วยกำหนดการด้วยสำนักงานกอพอกำหนด จัดการอบรมณคณะพัฒนาผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ทำที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศประจำปีงบประมาณ2553ครั้งที่สองระหว่างวันที่หนึ 5, ่งถึงห้าพฤศจิกายน2 5 53นณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับทุนมีความรู้และเข้าใจในระบบราชการในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นตลอดจนการเสริมสร้างทักษะและประสบะการณ์ในการทำงานร่วมกับประชาชนรวมทั้งสร้างความคุ้นเคยสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างผู้รับทุน ส่วนราชการเป้าหมายและสํานักงานกอพอรวมทั้งการมีประสบการณ์ในพื้นที่และเรียนรู้งานราชการในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นข้าราชการโดยที่การฝึกอบรมครั้งนี้ได้กําหนดให้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1-2 ถึงพฤศจิกายนพุทธศักราช2553เพื่อให้ผู้รับทุนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความคาดหวังของชาวบ้านต่อข้าราชการรายละเอียดตามที่รายเอียดทีส่สิ่งที่ส่งมาด้วยในการนี้สำนักงานกอพอ ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานและใช้สถานที่วัดป่านาคำน้อยแห่งนี้ดังนี้หนึ่งขออนุญาตนำคณะขา้าราชการสำนักงานกพและผู้รับทุนเข้าพบท่านและสนทนาทรรมเกี่ยวกับพิธีชีวิตและความคาดหวังของชาวบ้านต่อขา้าราชการในจังหวัดในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2 5ง3เวลา17 สิบแปดสิบเก้านอนภัทรปัดคัดป่ า, ปานาคำน้อยสองขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เป็นที่พักสำหรับคณะข้าราชการสำนักงานกอพอและผู้รับทุนประมาณหกสิบคนจำนวนหนึ่งคืนในวันจันทร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพรหาสิบสามจึงนมจัด ก, การเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้คณะข้าราชการ สำนักงานกพและผู้รับทุนดังกล่าวเข้าพบท่านและได้ได้ใช้สถานที่วัดป่านาคําน้อยสำนักงานกพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณล่วงหน้าณโอกาสนี้นมัตสการด้วยความเคารพนางชุติมาหานเผชิญผู้อานวยการศูนย์ นักบริหารระดับสูงปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการก อ, อ่ออันนี้คือจดหมายที่ส่งมาหาลงพ่อนะสรุปแล้วก็คืออยากจะให้ลูกหลานทุกคนมาคราวนี้เพื่อการศึกษาเรียนรูออ้ไม่ใช่ว่าพวกเราจะเป็นข้าราชการส่วนกลางแล้วก็ไม่รู้ส่วนภูมิภาคเป็นยังไง อย่างเมื่อกี้เนี่ยนักดูแลกฎหมายหรือเ่าที่ท่านเป็นผู้ใหญ่้วกคณะท่านมาที่วัดของหลวงพ่อท่านก็มาเพื่อการศึกษาเหมือนกันมาเพื่อเข้ามาอยู่ป่ามาดูป่าหลวงพ่อกันหะลยเลี้ยงอาหารเที่ยงที่นี่จากนั้นหลวงพ่อก็ให้ท่านไปดูวัดของหลวงพ่อนั่งรอบวัดไปดูภูมิทัศ ว่าวัดป่านี่ยมีสถานะอย่างไรเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าท่านได้เห็นว่าเออวัดป่าเนี่ยควรจะเขียนกฎหมายอย่างไรคุ้มครองอย่างไรเป็นพิษเป็นภัยอย่างไรฮ้ท่านจะได้รู้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ท่านไปนั่งรถไปดูสถานที่ท่านก็ไปเขียนลงหนังสือเดลี่นิวนะหลวงพ่อก็ได้อ่านเฮ้ท่านก็เออปัดป่าเนี่ย ที่ท่านมาที่วัดปา่านาคําน้อยท่านก็บอกเป็นป่าที่สมบูรณ์าหาได้ยากเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อนี่ยลักป่าสงวนปา่าและก็เป็นป่าธรรมชาติส่วนหนึ่งนอกเหนือจากป่าธรรมชาติที่ชาวบ้านเขาทําเป็นไร่ข้าวโพดไร่มันสําปะหลังก่อนหน้านั้นหลวงพ่อก็เข้ามาจากนั้นพวกชาวบ้าน กลุ่มนั้นเขาก็สู้ยากาไม่ไหวสมัยนะั้นมันยากามันแรงมากจากนั้นเขาก็ขายเอหลวงพ่อก็เลยหาทุนซื้อขยายออกไปไม่ใช่ได้ฟีนะเอซื้อจากนั้นก็มีชาวจากในเมืองในกรุงมาซื้อให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยขยายหลวงพ่อก็เลยปลูกป่าทีนี่ปลูกไม้สักประดูปักคาตะเคียนทอง เต็มเพืชดไปหมดเดี๋ยวนี้มักค้านไม้ศักหนึ่งหลวงพ่อคงจะเป็นเป็นแสนแสนต้นกระมังมีมาก เ, เดี๋ยวนีก้กำลังกาลังใช้แต่หลวงพ่อก็ไม่คิดว่าจะตัดจะไม่ไม่ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้อนุรักษ์ทั้งหมดเพราะอยู่ในวัด เ, เพื่อรักษาป่าสรุปแล้วก็ให้เป็นปอดให้เป็นปอดที่หายใจของออประเทศชาติ ถ้าว่าพวกเรามีจะทําร้ายทําลายป่าทั้งหมดต้นไม้ก็คงจะหมดสภาพในหลวงพ่อก็ได้รักษาป่ารักษาธรรมชาติส่วนหนึ่งเอาไว้เพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายที่มาวัดของหลวงพ่อวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีถ้ามีเวลาจะเดินดูก็ได้จะเดินชมก็ได้เอจะช่วระยะหนึ่งค่อยกลับอันนี้ก็คือเป็นการทัศนะศึกษา ต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเ อ, อวัดป่าเป็นยังไงวัดป่านั้นเป็นมีสภาพเช่นไรเนี่ถ้าเขามีการถกเถียงกันขึ้นมาตรงข่าวข่าวขึ้นมาพวกเราก็จะได้รู้ว่าเออสมัยหนึ่งได้ไปวัดหลวงหลวงพ่ออินวัดป่านาคําน้อยพวกเราได้เดินดูรอบวัดของท่านเป็นสภาพป่า เ, ออเป็นจะมีต้นไม้ ที่พักพาอาศัยของพระสงฆ์ท่านอยู่อย่างไรอยู่ในป่านั้นพวกเราก็จะเป็นการทัศนศึกษาอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นพวกเราเด็กต่อไปลูกหลานจะเป็นชัพยากรของชาติควรจะเรียนรู้ธรรมชาติควรจะอนุรักษ์ธรรมชาติธรรมชาติตัวนี้หละถ้าพวกเราปฏิบัติถูกต้องแล้วจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ถ้าว่าพวกเราทำร้ายธรรมชาติก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคือตัดต้นไม้มากๆเวลาฝนตกลงมาก็ทำให้ดินน้าไม่ซับไม่ลงดินไม่ได้น้าก็ไหลลื่นลงไปท่วมทุกแห่งทุกหนเพราะเหตุใดเพราะว่าธรรมชาติของเรามันเสียหายนี่แหละแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะ มันคนมันมากแต่เราจะต้องทำยังไงจะแก้ไขอย่างไ ร, ยยงไรในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ก่อนเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราพวกเราที่เป็นลูกหลานเป็นทรัพยากรนี่แหละจะต้องช่วยกันคิดอีกเหมือนกันจะปรับปรุงยังไงจะแก้ไข ย, ยังไงจ hey, ึงจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ใช่ว่าต่างคนก็ตา่างทาร้ายทำราย แล้วจากโยนให้คนนั้นคนนี้ก็โยนให้ไปโยนให้ไปโย น, ใ ห, โยนให้มาผลี่สูจ็เลยล่มจมจิบหายกันแต่ทั้งประเทศชาติอันนี้หลวงพ่อว่าขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะพวกเราจะได้เรียนรู้หลวงพ่อทราบว่ า, วาทางกอพอเขาก็คงจะส่งลูกหลานไปศึกษาในระดับต่างประเทศอีก จากนั้นก็จะได้นำสิ่งที่ดีๆนำมาปรปับปรุงประเทศชาติบ้านเมืองของเราในเมื่อเราไปศึกษาต่างประเทศเราจะไปเอาของที่มันไม่ดีเอามาเพราะในประเทศชาติเราต้องนำของดีสิ่งที่มันไม่ดีหลวงพ่อเคยเห็นลูกหลานไปต่างประเทศได้ผมยาวๆมาได้กางเกงขาดๆมาได้ต่างหูมา เออเพอเพ้อจะเจาะจมูกอีกต่างหากไม่แล้วเจาะที่ไหนต่อท um ี่ไหนอีกต่างหากเพราะเหตุอะไรไปนําของอย่างนั้นมามันไม่เกิดประโยชน์เห็นแล้วมันยังไงมันมันรับไม่ได้แต่จริงๆน่าจะเอาของดีๆสิ่งไหนที่มันดีกฎระเบียบอันไหนที่มันดีมีต่างเยอะแยะเราควรจะนาสิ่งที่ดีเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรา เหมือนกับมแมลงผู้มแมลงพึ่งมันบินไปหาเกสรดอกไม้ในเมื่อไปพบเกสรดอกไม้มันก็ต้องเอาแต่น้ำเกสรดอกไม้มาบำรุงรังของมันแปลว่าพึ่งตัวนั้นฉลาดนะแต่ถ้าว่าพึ่งงานบางตัวมันเชื่อเชื่อโง่โง่เลยพอไปเห็นก็ไปแกะไปแทะไปกัดเอา ใบไม้ไปกัดเอาเปลือกกระพี้ของไม้เอามาใส่รังตัวเองมีแต่ทำให้รังตัวเองลบลุงรังไปหมดเนี่ยเพราะเหตุไรเพราะพึงางานตัวนั้นไม่ฉลาดนี้ก็เหมือนกันขอฝากไปกับลูกกับหลานทุกคนแต่เมื่อเราไปต่างประเทศเราไปเพื่อการศึกษา ไปเห็นสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์แล้วก็ควรจะเรียนควรจะจดจำเอามาออกมาจากนั้นก็มาพัฒนาประเทศชาติของเราประเทศชาติของเราก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกแต่แต่พวกเราเอาสิ่งที่มันไม่ดีมามีแต่ความจิบหายมีแต่ความหายณนะจะเข้ามาสู่ประเทศชาติของเรานี่แหละลงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลาย เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอันดับแรกปุพภกาลีของพวกเราปุพภกาลีคือคนบรรพบุรุษของพวกเรากราบไหว้นับถือพระพุทธศาสานาศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาตั้งแต่ดึกดำบรรมาตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราธิ i พ่อขุนรามคำแหง จากนั้นก็กรุงศรีอยุธยามีแต่วัดวาศาสานาที่เป็นถาวรวัตถุที่พวกเราลูกหลานได้เห็นจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็นับถือพระพุทธศาสนากันมาเป็นทอดๆศาสนาเป็นศาสนาที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะที่เกิดมาสุดท้ายภายหลัง เราก็ควรจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้แหละคือเป็น เ, เป็นบุพะการีส่วนหนึ่งคือบุพะการีส่วนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบแล้วก็เป็นผู้ประทานพระธรรมคําสอนแล้วก็ประสงค์เป็นผู้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้แหละคือบรรพบุรุษที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่ก่อนที่สมาทานศีล ในละครบรรพบุรุษของพวกเราส่วนหนึ่งบรรพบุรุษที่สองก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านรักษาประเทศชาติมาตั้งแต่นมนานปกครองประเทศชาติรักษาประเทศพื้นแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยเขาแย่งแบ่งประเทศชาติอย่างรัชการที่ห้าถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาในประวัติศาสตร์แล้ว รัช ก, การที่ห้ามีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติชาติไทยเป็นอย่างมากที่ท่านรักษาปกป้องประเทศไทยถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะเป็นประเทศเมืองขึ้นเขา อ, อย่างที่รอบด้านของพวกเรานี่แหละอันนี้ก็คือเป็นบุพการีพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรต่อพระมหากษัตริย์อย่างไรต่อตระกูลของพระมหากษัตริย์อย่างไร อย่างนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราลูกหลานทั้งหลายจะต้องได้คิดอีกเหมือนกันอยากในหลวงของเราท่านอายุถึงแปดิบกว่าพันษาท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เรามากมายโครงการพระราชำดำริมากขนาดไหนพวกเราคิดดูนี่แหละอันนี้คือบุพการีส่วนหนึ่งที่ในหลวงทำให้แก่ประเทศชาติปันเมืองของพวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุข อันนี้เราอย่ามองคาบเราให้คิดตัวเหตุและผลและต่อมาก็คือบรรพบุรุษของพวกเราก็คือพ่อแม่อันนี้คือเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนเหมือนกันท่านได้เลี้ยงดูเรามาแต่อ่อนแต่ออกแต่เลาะสมัยเราเป็นเด็กเราไม่รู้จักเรียงสาภาวะตัวแดงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงดูเรามาให้อาหารการบริโภคให้ความอบอุ่นทุกอย่าง จนเราเป็นตัวตนขึ้นมาขนาดนี้ถ้าพ่อแม่ทิ้งเราแต่สมัยเป็นเด็กพวกเราก็คงจะไม่ได้เกิดใหญ่มาถึงขนาดนี้ท่านเลี้ยงพวกเรามาด้วยความทะนุถนอมเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะแสดงความประทันอยู่กตะเวที่ตาต่อพ่อแม่บิดาบรรดาของเราอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดอีกเหมือนกันจากนั้นอันที่สีก็คือบุพการีเมื่อเราใหญ่ขึ้นมาแล้ว รู้เดียงสาภาวะเขาก็ส่งมาส่งเข้าโรงเรียนเพื่อการศึกษาจากนั้นก็ได้บวชเรียนเขียนอ่านอย่างหลวงพ่อเนี่ถือว่าครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์เป็นบุพการีผู้ให้ธรรมะให้ความรู้ให้ธรรมะให้แนวทางเพื่อการศึกษาอันนี้ก็เเป็นบุพการีอีกเหมือนกัน เราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวที่ตายอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกท่านควรจะแสดงความกตัญญูหนึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่สองคือเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นผู้รักษาประเทศชาติบ้านเมืองมาถึงจนถึงยุคปัจจุบันอา้าวรักษามาเพื่อให้พ้นปากเกี่ยวปากก า, าไม่ให้ประเทศอื่นเขามาแบ่งแย่ง อย่างต่างประเทศที่รอบบ้านของพวกเราเนี่แหละอันนี้ประเทศไทยยังเป็นเอกเาราษมาตลอด เ, เพราะเจ้าฟ้าเจ้าเป็นินของเราเฉลียวฉลาดรักษาประเทศชาติมาเนี่แหละอันนี้ก็ควรพวกเราในฐานะลูกหลานเหลนควรจะแสดงความกตัญญูกับเวทที่ตายอย่างไรเอออันนั้นก็จากนั้นก็คือพ่อแม่ของพวกเราจากนั้นก็ครูอุปชาอาจารย์ของพวกเราเนี่แหละ อันนี้ก็คือควารแสดงความกระตันอยู่ส่วนสิงแวดล้อมแวดล้อมของเราอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าสิงแวดล้อมของเราคือป่าโรงพงไพที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นรักษาวัดอย่างหลวงพ่อเนี่ยคือรักษาป่ารักษาต้นไม้อันนี้ก็คือรักษาธรรมชาติถ้าว่าโลกตัดต้นไม้ออกเตียนไปหมดความร้อนของโลกก็จะเกิดขึ้นอันนี้ถ้าว่าวัด เรือสถานที่ใดก็าตามถ้ามีต้นไม้เขาบอกว่าต้นไม้น่ะจะเหมือนกับแอร์แอร์ตัวหนึ่งทําให้แผ่นดินเย็นไงพอรักษาธรรมชาตินี่อันนี้ก็คือธรรมชาติตัวนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงถ้าว่าอยู่น่าสถานที่ใดเรารักษาจะธรรมชาติจะทิ้งสิ่งขยะปฏิกูลลงในแผ่นดิน เราก็ต้องได้คิดไม่ใช่ว่าทิ้งเกลือนไปหมดธรรมชาติเสียหายหมดไปตกไปอยู่ในห้วยในหนองคลองต่างๆอันนี้ก็ทําให้เสียหายอันนี้คือธรรมชาติส่วนหนึ่งแต่ธรรมชาติในหลักของพระพุทธศาสนาทนี่พวกลูกหลานก็คงจะไม่เคยได้เย็นได้ศึกษาอีกเหมือนกันธรรมชาตินส่วนลึกคืออะไรถ้าว่าสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิด ในตัวของเราดําเนินชีวิตไปนั้นเราควรทําตนอย่างไรเนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าพวกเราควรปฏิบัติให้ถูกต้องต่อทิศทั้งหกแต่พวกเราได้ยินแต่ทิศทั้งสี่กับทิศทั้งแปดแต่หลักของพุทธศาสนาในทิศทั้งหกให้ปฏิบัติถูกต้องถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อทิศทั้งหกความหายยะก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลาย พระพุทธเจ้าท่านตรัจอย่างนั้นเทตั้งโหกทั้งคืออะไรสมัยครั้งพุทธการในวงครั้งพุทธเจ้าสิงคาลมานบเป็นลูกชาวกุงราชสักคืท่านเป็นลูกเศรษฐีท่านไปเรียนหนังสือเมืองตะกัศิลาพอเรียนจบมาแล้วมามาพ่อมาพ่อก็ป่วยหนักนพ่อก็เลยสั่งเสียลูกเอ้ยลูกถ้าลูกอยากจะให้อยู่ ถ้าลูกมาบริหารจัดการทรัพสมบัติที่พ่อมีอยู่เนี่ยให้ลูกปฏิบัติต่อทิศทั้งหกนะคารวะทิศทั้งหกนะเคารพนอบน้อมต่อทิศทั้งหกนะลูกนะพอจากนั้นพ่อก็เลยตายไม่ได้พูดอธิบายขยายความแต่นี้สิงค์คารมานพเนี่ยก็ทิศทั้งหกก็คืออะไรก็นึกขึ้นมาได้ก็ทิศทั้งหกก็คือทิศทั้งสี่ก็คือ ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้อันนี้ทิศทั้งทั้งสี่ทิศทั้งหกโคงจะเพิ่มทางอากาศแต่ก็เพิ่มลงในดินอีกทั้งดินธาตุทิศหนึ่งบนอากาศก็ทิศหนึ่งหกพอดีทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างก็ทิศหกเพราะฉนั้นสิงค์าลมานพก็เลยยึดทิศทั้งหกเนี่ยเพราะว่าพ่อสั่ง สั่งเสียเอาจริงเอาจังจริ ง, รงๆว่าไงก่อนที่พ่อจะจากไปลูกนะต้องเคารพทิศทั้งหกนะนอบน้อมทิศทั้งหกนะคารวะทิศทั้งหกนะลูกจึงจะเจริญในการบริหารจัดการชีวิตของลูกจะราบรื่นไปทุกอย่างถ้าเคารพทิศทั้งหกสินค้าและมานพฟังแล้วถึงใจแต่ไม่รู้จะทํำยังไงทิศทั้งหกเอา้าจากนั้นพอประชุมเพลิงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็ปฏิบัติให้เคร่งครัดเลยไม่รู้ว่าหนาวไม่รู้ว่าร้อนไม่รู้ว่าแดดออกฝนตกเขาจะต้องเดินออกไปในชายทุ่งในชายทุ่งนาริมสนามจากนั้นเขาก็ยกม้มไหวทางทิศตะวันออกยกมือไหวทิศตะวันตกยกมือไหวทิศเหนือยกมือไหวทิศใต้ยกมือไห ว, ว, นไ ว, นไ ว, ไวบนอากาศยกมือไหวทิศข้างล่างสองสามเที่ยวแล้วก็กลับเข้ามาทำการทำงาน เป็นประจำตอนนี้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคือที่วัดป่าเวลุวันท่านเห็นเอสิงคารมานพเนี่ยเขาเป็นผู้เป็นคนจงรักภักดีเชื่อฟังบิดาของเขาแต่ว่าเขาทำไม่ถูก เ, เขาไม่รมู้ไม่รู้ความหมายทิศทั้งหกคืออะไรเราควรจะไปแนะนำสั่งสอนเขา เ, เขาจะฟังหรือเปล่าเนี่ย พระองค์กับพิจารณาดูเออเขาฟังเขาเป็นคนเป็นเด็กที่อ่อนน้อมเป็นที่ไอ้ไายกบว่าพร้อมที่จะรับในสิ่งที่ดีพร้อมที่จะรับในผู้ที่แนะนำสั่งสอนไปในทางที่ถูกต้องมีเหตุผล้วเขาจะต้องฟัง เ, ออเด็กคนเนี้เป็นผู้เฉลียวฉลาดไม่ใช่ดันทุลังไม่ใช่คนดื้อด้านทีนี้พระองค์ก็จะด็ดไปกับบิณฑบาตกับพระอนุ์พอไปเห็น สิงคัลารมานบเขาก็ยืนอยู่ในชายท้องนาเขาก็ยกมือไหว้อย่างที่ว่าเนะั่นไหวทิศตะวันออกไหวทิศตะวันออกตกตก เ, เหมือนไทยแก๊กอย่างนั้นเอางั้นเถอะฮ่าปลุกไปปลุกมาแต่คนเขาไม่รู้แต่ในใจของเขานั้นเขารู้ว่าเขาทําอะไรแต่นี้พระองค์ก็เดินผ่านไปใกล้ๆท่านก็ถามว่ามานบเธอทําอะไรเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าไหว้ทิศทั้งหกพระเจ้าค่ะ ใครเป็นผู้แนะนำบอกข่า บ, บิดาบิดาของข้าพระ อ, องค์เป็นผู้บอกกล่าวเป็นผู้แนะนำบอกอยากจะให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการบริหารจัดการนั้นให้คาระวะทิศทั้งหกกระผมปฏิบัติมาพเพราะเคารพในคำสั่งบิดาของข้าพ่อได้ถามไม่ว่าความหมายทิศทั้งหกนั้นคืออะไรไม่ได้ถามกระผมเพราะว่าพอพ่อสั่งแล้วก็ท่านมรณภาพไปเลย กับผมก็เลยม่ได้ถามท่านเพระพระองค์บอกว่ามานพที่ท่านทําไปเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องการเคารพทิศทั้งหกอย่างนี้ไม่น่าจะถูกต้องตามปราดับตามทำคำสั่งของบัณฑิตทั้งหลายไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เธออยากจะฟังไหมเราจะอธิบายให้ฟังมานพกันนะครับผมอยากจะฟังครับผมเอายืนฟังให้ตั้งใจฟังนละ พระ อ, องค์ก็บอกว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเราควรจะทำตนยังไงเคารพยังไงต่อบิดามารดาเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจตุระของท่านนำรงวงศกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของลูก ปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาแตาว่าผู้ใดปฏิบัติต่อบิดามารดาไม่ถูกต้องเหตุบิดามารดาแล้วดูถูกเหยียดหยามมีแต่เอารัดเอาเปรียบพ่อแม่พ่อแม่ไม่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ทําตนไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แล้วลูกคนนั้นจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นจุกหาความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานไม่ได้ พระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติต่อบิดามารดาให้ถูกต้องแล้วมีแต่ความเจริญเพราะท่านไว้เนื้อเชื่อใจท่านมอบความไว้วางใจกับลูกของท่านแต่ถ้าลูกของท่านไม่เป็นที่ยอมรับแล้วท่านจะไม่ไม่วางใจลูกเที่ยวสั ม, มเละเทมางกินเหล้าเมายา อ, อบายมุกทุกอย่างพ่อแม่จะมอบไว้ความไว้วางใจได้อย่างไรเพราะนั้นท่านต้องทําตนให้เป็นคนดีเคารพ ต่อทิศเบื้องหน้าคือมารดาปิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาถ้าเรามีสามีภรรยาเราก็ต้องให้สิทธิ์เขาเขาเคารับสิทธิ์ซึ่งกันและกันสามีมีหน้าที่อะไรภรรยามีหน้าที่อะไรในห น, หน้าที่การงานจากนั้นก็ให้รู้จักเก่งใจให้รู้จักเคารพในซึ่งกันและกัน อันนี้ถ้าว่าเราปฏิบัติถูกต้องในสามีภรรยาสามีภรรยาคู่นั้นก็มีแต่ความร่มเย็นผาสุขไม่ทะเาะวิวาทไม่กินแหนงแคลงใจกันแต่ถ้าว่าภรรยาออกนอกหรูนอ ก, นอกทางสามีกับไปอีกทางหนึ่งไปคนละทิศคนละทางกันอย่าหวังเลยครอบครัวนั้นจะมีความร่มเย็นผาสุขแต่แตกสุ้ผู้พ่ายกันไปหมดเพราะเหตุใดเพราะปฏิบัติไม่ถูก ในทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์พวกเราต้องมีครูบาอาจารย์ทุกระดับเมื่อสมัยเราเป็นเด็กก็มีครูสอนแง่กอไก่ขอไข่ A B C D 1 2 3่งสองสา One Two Three Four Five เขาก็สอนให้อันนี้คือครูบาอาจารย์พอใหญ่ขึ้นมาก็สอนประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกมีหลายขั้นจากนั้นออกมาเราก็มาฝึกงานอีกแมาดูการงานอีกมีมากมาย ตัดผมเย็บผ้าซ่อมเครื่องล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราทั้งนั้นอันนี้แหละเราต้องเคารพในครูบาอาจารย์เมื่อเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาแล้วลุกขึ้นยืนรับไปคอยรับใช้ด้วยเพื่อฟังรอุปถากด้วยเรียนศิลปวิทยากับครูบาอาจารย์ถ้าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ประสิทธิ์ศาสตร์ความรู้ให้แก่เราเพิ่มเติมเขาอีกเราสงสัย ข้อไหนเราก็ถามไทยครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ความรู้เพิ่มเติมกับเราแต่ถ้าเราประมาทหรือว่าแข็งกระด้างต่อครูบาอาจารย์อย่าหวังเลยเราจะได้รับความรู้ความฉลาดจากครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนที่พวกเรายังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นปฏิบัติให้ถูกนะอันนี้คือทิศเบื้องขวาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหาย พวกเราคนเราเกิดมาต้องมีหมูมีเพื่อนมีมิตรมีสหายแต่พวกเราไม่มีหมูมีเพื่อนมีมิตรมีสหายแล้วพวกเราจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานบริษัทห้างร้านต่างๆจะราบเรื่นเป็นเป็นไปไม่ได้มีแต่ตัวคนเดียวมีแต่ตัวคนเดียวไม่มีหมูมีเพื่อนรับช่วงไปไม่มีหมู่เพื่อนเป็นที่ปรึกษาการงานน่าจะไปได้อย่างไรไปไม่ได้ไม่มีหมูมีเพื่อนอันนี้ก็คือ ทิศเบื้องซ้ายมิตรทิศเบื้องบนส ม, มณพราห ม, ม, มณ์สมณพราหมณ์ก็อย่างหลวงพ่อเป็นผู้แนะนําสั่งสอนลูกหลานอย่าทํานะสิ่งที่มันไม่ดีทําในสิ่งที่ดีนะลูกหลานนะให้เคารพกฎกติกาให้ครบซึ่งกันและกันให้มีศีลห้านะอย่างที่หลวงพ่อได้สอนอันนี้คือส ม, มณพราหมณ์แนะนําไปในทางสิ่งที่ดีมีเหตุมีผลในหลักธรรมคําสอนอันนี้เร า, าส ม, มณพราหมณ์ คือทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําคือคนใช้คนงานถ้าพวกเราไม่มีคนใช้ไม่มีคนงานไม่มีลูกน้องบริวารพวกเราอย่าหวังเลยความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกจะเกิดขึ้น ใ, ในครอบครัวของเราเราก็ต้องมีบริวารต้องมีอาศัยลูกอาศัยลูกน้องในเมื่อเรามีลูกน้องเราก็รู้จักแบ่งปันรู้จักใช้รู้จักให้ความอบอุ่นเขาดูแลเขาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย นี่แหละอันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นนายเขาเนี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ปฏิบัติให้ถูกนะทิศทั้งหกนะถ้าพวกเราปฏิบัติต่อทิศทั้งหกถูกต้องแล้วชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติต่อทพ่อแม่ไม่ถูกนะมีแต่ความจีบหายเข้ามาแทนที่ถ้าเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ไม่ถูก ่พ่อแม่ก็ตัดออกจากกองมรดกไม่นับเตื้ยวาเป็นลูกเป็นลูกของท่านแล้วมีความรู้สึกอย่างไงสามีภรรยาออกล่องลูนออกทางแตกสมร์ขีกันเป็นอย่างไรแล้วอยู่กับครูบาอาจา ร, ราาย์ปาฏิารครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ประสิทธิ์ศาสตร์ความรู้ความฉลาดให้เรามีความเราจะฉลาดได้อย่างไรไม่มีหมูมีเพื่อนไม่มีพักมีพวก และกิจการงานของเราจะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรเมื่อเราไม่เคารพนับถือสมณพราหมณ์ไม่เชื่อฟังใครเลยเราจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดได้อย่างไรถ้าเราไม่มีบริวารลูกน้องที่รองรับเราจะหาความสุขใ น, ในการเป็นอยู่ได้อย่างไรนี่แหละขอให้ลูกหลานพวกเราทุกคนถึงจะเป็นครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลที่ พ, พระพุทธเจ้าตรัสบอกสอนสิงหาลมานพ แต่พวกเรานำมาประพฤติปฏิบัตินำมาใช้ในยุคปัจจุบันเดียวนี้ขณะนี้ที่พวกลูกหลานจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าคำพูดนั้นก็ยังเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานอย่างมากทีเดียวเพราะนั้นขอให้ลูกหลานปฏิบัติตนให้ถูกต้อง อ, อย่าไปลืมตัวแล้วก็พวกเราลูกหลานทุกคนที่ได้มาทางานในจุดนี้ หลวงพ่อทราบว่าพวกเรามีแต่ชั้นปัญญาฉเฉลียวฉลาดทีเดียวโดยมากจะมีแต่เขาคัดเลือกมาแล้วเหรียญทองเรือว่าได้รับเกียรติยมเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะพวกเราอยู่ด้วยกันโดยมากหลวงพ่อเห็นเคยสังเกตนะหลวงพ่อเนี่ยอยู่วัดป่าป่ารงพงไพ แต่หลวงพ่อดูเออดูด้วยความเส่อๆหลวงพอ่อน่โดยมากคนที่เฉลียวฉลาดมาอยู่ด้วยกันโดยมากจะเฉือนคมกันมองคนอื่นเป็นคนโง่ฮะตัวเองว่าเป็นคนฉลาดก็เลยมองคนอื่นเป็นคนโง่ไปหมดคนนั้นกับคนโง่คนนั้นกับคนโ ง, นนนนง่ตัวเองก็เป็นคนฉลาดคนอยู่ใกล้กันคนนั้นกับว่าคนนั้นโง่พวนที่สุดไม่รู้ใครโ ง, ง่กว่ากันสรุปแล้วก็คือเหมือนเหมือนกันนนี่ เพราะมันใช้กันไม่ได้เออมันปรับปรับปรุงกันไม่ได้สอนกันไม่ได้ก็เลยไม่เป็นหน้ามาหลังทีนี้ผลนสุดก็เลยแตกแยกสามัคคีกันชนในกลุ่มอยู่ด้วยกันอันนี้ขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนเหมือนกันนะเอ่คล้ายๆก็ว่าเราต้องมองกันในแง่เหตุผลอย่ามองกันในแง่ร้ายต้องอยู่ด้วยกันด้วยหลักเหตุผล มีอะไรปรึกษาปารพกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งถ้าพวกเราลรดลาวาสอกลงอย่าไปใช้ทิฐิมานะเข้าหากันอย่าไปดูถูกเหยียดหยามกันนี่แหละความผาสุกก็จะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราเอ่อมีแต่แตกแยกซมำะคีกันไม่ลงรอยกันมีแต่มองกันในแง่ร้าย พวกเราจะหาความสงบพาศุกไม่ได้นะลูกหลานนะอันนี้ขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนเพราะว่าการอยู่ด้วยกันต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันเป็นหลักต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่ให้ความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นการทางานเรามองคนให้มองเหมือนกับนิ้วมือของเรานิ้วโป้งมีประโยชน์อะไรนิ้วชี้มีประโยชน์อะไรนิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อย ล้วนแล้วต่มีประโยชน์ด้วยการทั้งนะั้นแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นแต่นิ้ยปวกมีประโยชน์ตัดเนิ้ออื่นทิ้งหมดพวกเราจะเป็นยังไงดูแล้วมันเป็นยังไงมันผิดปกตินะนี้ก็เหมือนการการทำงานการอยู่เป็นกลุ่มสํานักงานของเรามีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็มีผู้น้อยมีทั้งผานโรงมีทั้งคนทาความสะอาดมีทั้งคนขับรถล้วนแล้วต่สาคัญด้วยกันทั้งหมด แต่สำคัญแต่ละคนนั้นสำคัญอย่างไรอันนี้กับมันอยู่ในเกี่ยวกับความสำคัญของแต่ละคนถ้าไม่มีคนขับรถในสำนักงานของเราเราคิดดูกันแล้วกันเราจะหาจะทำยังไงถ้าคนไม่ดูแลความสะอาดในสำนักงานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรสะดวกไหมสิ่งเหล่านี้ทุกคนคือต้องสำคัญ ไน้รื่อความสำคัญจุดที่เราจะทำยังไงเราจะใช้ปัญญาอย่างไรจรึงจะให้มีความพร้อมเพียงสมัครีกันแต่ถ้าว่าพวกเราจะดูถูกเหยียดย้มกัน เ, เห็นกันแล้วก็ตาขวางใส่กันมีอะไรก็เฉือนกันด้วยสายตาด้วยคำพูดด้วยอากับกิริยาแสดงออกพวกเราอย่าหวังเลยพวกเราอยู่ด้วยกันจะร่มเย็นเป็นสุข มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายในสำนักงานของพวกเราพอจะทำอะไรขึ้นมาคนหนึ่งเสนออะไรขึ้นมาเป็นประโยชน์คนหนึ่งก็มาเฉือนซะมาตัดตรงจากนั้นก่อนนี่แหละผลในสุดมันก็เลยเท่าๆกันแล้วจะจัดว่าเป็นผู้มีปัญญาได้อย่างไรถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นมันก็คล้ายๆกว่ามันมันโง่ไปทั้งทีมเลยว่งั้นเถอะนีน่ไม่ใช่นักนักปัญญาเนี่ยพวกนั้นเมืองไทยของเราเนี่ย หลวงพ่อได้สังเกตสังเกตเขาก็พูดว่าถ้าคนไทยเนี่ยถ้าเก่งเก่งคนเดียวนะดีเก่งจริงถ้าเก่งเป็นทีมเนี่ยโดยมากจะไม่เก่งเพราะเหตุอะไรเพราะมันอิจฉากันคำนี้ฟังเอาไว้นะหลูกหลานนะโดยมากคนไทยเนี่ยชอบอิจฉากันถ้าเป็นทีมเนี่ยโดยมากเตะฟุตบอลเน่ยเห็นว่าคนหนึ่งจะเป็นเป็นดาวรุ่งขึ้นมา เ, นเก่งเอ้ากูไม่ข้าไม่ส่งลูกให้มันมันจะเก่งได้อย่างไรพอได้สวดเมื่อก็ เจงไปทั้งทีมเหมือนกันใช่แทนนักมวยดินเนอนักมวยคนเดียวนะมันโูกอึดได้สินิเออนกมวยไทยถึงว่านักมวยเอกของเมืองไทยไม่แพ้ประเทศอื่นเขาเลยเพราะเหตุไรเพ้นเก่งคนเดียวถ้าทั้งทีมน่ยโดมากเมืองไทยของเราจะแพ้เขากรุดลุยไปทั้งหมดเลยนี่แหละถ้าคนเดียวหนะิคนไทยจะเก่งให้พวกเราสังเกต ด, ดูนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ เราต้องเก่งด้วยกันไปด้วยกันประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียวเราต้องคิดช่วยกันจะทํายังไงจะพัฒนาอย่างไรประเทศชาติจึงเจริญจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้แต่พวกเราถ้าว่าไม่พร้อมเพียงสมัครีกันมิตรอิจฉ่กันเนี่ยหลวงพ่อมองไม่เห็น่มองไม่เห็นความเจริญจะเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราพวกเราคิดดูซิกรุงศรีอยุธยาแตกเพราะอะไรพวกเราต้องมี ประวัติศาสตร์แต่เมืองไทยของเราไม่เรียนนะทุกวันนี้ประวัติศาสตร์ทิ้งไปไม่มีประวัติศาสตร์แต่ตามไม่จริงประวัติศาสตร์เป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างพระพุทธศาสนาเน็กก็มีทรม้าบทธทรรมัฏฐตักถาคือเราต้องมองครั้งพระพุทธเจ้าวาพระพุทธเจ้าท่านมีความประสงค์อะไรท่านวางศาสนาด้วยวิธีอย่างไร พระสงฆ์ในครั้งนั้นท่านปฏิบัติตนอย่างไรจากนั้นจะข้ามภพข้ามชาติไปอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นชาดกอีกอดีตชาติของพระพุทธเจ้านั่นคืออะไรอย่างนี้อันนี้พวกเราควรจะศึกษาอีกเหมือนกันจากนั้นก็เรื่องอดีตนั่นแหละคือบทเรียนถ้าคนไม่มีอดีตเป็นบทเรียนแล้วจะมีแต่ปัจจุบันนี่ยมันเหมือนม้าอินเดียนะ หลวงพ่อ <L ong> ไปเห็นหมาอินเดียเขาไม่ให้มองไกลเขามีอะไรป้องตามันไว้ไม่ให้มันมองไกลว่าไงให้มองใกล้ๆเนี่แหละพวกรักนักนักวิชาการทั้งหลายหลวงพ่อว่านนักวิชาการของเมืองไทยโดยมากเหมือนหมาอินเดียมองไกลๆมองไม่มองไกลมันต้องมองถึงอดีตด้วยแล้วก็มองอนาคตด้วยเห็นไ้ยรัชกาลที่หา้าหลวงพ่อไปแถวสะเซิงเสานาครนายก มีตะคลองคลองใหญ่ๆทั้งนั้นใ น, นคลองคลองนี้นมันเกิดได้ยังไง ร, รัชการที่ห้าขุดขุดคลองดูสิขนาดรัชการที่ห้าสมัยนั้นจะมีแมกโนที่ไหนท่านมาใช้แมกโนที่ไหนแท็กเตอร์ที่ไหนท่านจะมาขุดใช้คนทั้งนั้นขุดแต่กว้างลูกหลานให้ไปดูนะน้าไหลทุกวันเี่อเอือ่อยเอือเอ่อยลงไปจู่น้าทะเลจากนั้นก็ ปล่อยเข้าไปในท้องไร้ท้องนาของพี่น้องลูกหลานได้ใช้กระทั่งทุกวันนี้เป็นฝีมือของคนโบราณแ ท, แท้แต่ทุกวันนี้ทําไมพวกคนในชาติของเราเมีอะไรขึ้นมากันนะ่ะฮ้กัดกันนัวเนียไปหมดเนี่ยเราหลวงพ่อว่าขอให้ลูกหลานนะเนี่ยเป็นทรัพยากรเป็นคนรุ่นใหม่ควรจะปรับปรุงตัวให้ดีให้ใจเย็นให้ใจเย็นขึ้น แต่ไม่เย็นแบบเฉยแฉะนะใครเขาว่าใจเย็นแล้วก็มันขยันอดทนในการทำการทำงานมันขยันในการทำงานทำงานด้วยเหตุผลอย่าไปทำงานแบบอย่างอื่นถ้าว่าพวกเรามีหน้าที่การงานสมัยเมื่อเราเป็นเด็กนักศึกษาอย่างเนี้ยเรามองเห็นผู้ใหญ่เราก็โอ้ทำไม เขาทำตัวไม่ดีเลยทำไมคอรับชั้นอย่างคอรับชั้นอย่างนี้ฮะแต่พอตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งกว่าเขาไปอีกทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้มันมีไม่มีอุดมการณ์ไม่มีอุดมการณ์ในจิตใจพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพอมีลาบมียศขึ้นมาลืมอุดมการณ์ทั้งหมดลืมหลงหน้าที่การงานของตนเองทั้งหมดมีแต่โลภโลภ อยากยากอยากอากแต่ทั้งหมดจนประเทศชาติล่มจมจิบหายพวกเราก็ยังไม่ดูกันเพราะฉะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะลูกหลานลูกพ่อมองแล้วลูกหลานทั้งห้าหสิชีวิตเนะี่ยถ้าพวกเราบริหารจัดการพร้อมเพียงสมัครขี่กันประเทศจะรลดต้าไปไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะพวกเราเป็นทรัพยากรของชาติเป็นแนวหน้า ถ้าว่าพวกเรานับทําหน้าที่การงานดีแล้วนั่นแหะให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีข้อสําคัญหัวหน้าเนี่จําเป็นและสำคัญอย่างมากในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าถ้าหัวหน้าดีเหมือนกับวัวที่เป็นจา้าฝูงที่เป็นหัวหน้าถ้าว่าวัวมันว่ายน้ําตรง ลูกน้องทั้งหลายมันก็เดินตรงว่ายน้ําตรงไปด้วยแต่ถ้าหัวหน้าวัวที่เป็นจ่าฝูงว่ายน้ําคดรโคตค้งโค ง, คงลูกน้องก็ต้องลูกวัวที่ตามไปก็คดรโคตค้คงโคง้งไปด้วยเผลอๆจมน้ำตายอีกต่างหากเพราะมันว่ายน้ําคดรโคตค้งโค ง, คงหัวหน้าตัวหัวหน้ามันพ า, พาคโคง้งมันว่ายไกลเกินไปทําให้ลูกเล็กเด็กแดงจมน้ําตาย นี้ก็เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่พวกระดับต้องเป็นผู้ตรงทำงานด้วยความซื่อสัตย์ถ้าเราอยู่ในสำนักงานไหนอย่างหลวงพ่อที่จะเป็นหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าวัดอย่างนี้หลวงพ่อก็พยายามบอกกล่าวตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าเราทำดีไม่ได้เราก็ไม่ควรจะเป็นหัวหน้าหมู่พวกเพื่อนนี่เราต้องทำให้ดีที่สุดอ่อ เราทำควรทำยังไงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมหรือความไม่ประมาทในเมื่อประโยชน์ตนก็คือทำให้ดีทำตัวอย่างให้ดีอยากจะให้ลูกน้องดีก็ต้องทำดีให้ลูกน้องดูอยากจะให้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดูอยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทำดีให้ลูกศิษย์ดูใค่าๆู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเขาต้องมองหัวหน้าเพราะท่านการสงเคราะห์อนุเคราะห์เนี่ย เป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างยิ่งะอย่างหลวงพ่อเนี่ยปีนี้เนี่ยที่กฐินผ่านไปก็ดีจะตกปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่อในเซนเขาให้หลวงพ่อเซนสัญญาซื้อเครื่องมือแพทย์เพราะว่าโรงพยาบาลอุดรศูนย์อุดรเขาเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดหวัวใจไม่มียังไม่มี คณะแพทย์หมอก็เลยเข้ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เอา้าเป็นตัวหลักให้ยืนแล้วก็จากนั้นก่อนบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนลูกหลานลูกหลานจะตุปัจัยที่เกิดมาภายในวัดก็เอา้าพร้อมที่จะซื้อให้เครื่องมือให้แก่โรงพยาบาลและเซ็นสัญนยาไปเครื่องมือสี่ตัวแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อกเ็เคยช่วยนะตึกสงอาพาดโรงพยาบาลศินลณศรีนคริน หมูนิต y หออภิบาลสงหลวงปู่มันตีดูแลพระสงฆ์จากนั้นโรงพยาบาลต่างๆเครื่องมือแพทย์เครื่องผ่าตัดหัวใจเครื่องผ่าตัดด้วยความทีสูงเครื่องโอลิมปัสสองกล้องหามเเลงในลำไส้เครื่องมือแพทย์มากมายแล้วก็โรงเรียนต่างๆที่หลวงพ่อได้ช่วยช่วยชุมชนและสังคมนี่อันนี้ ก, ก, กาลังเซ็นสัญญากันอยู่แต่เครื่องมือยังไม่มาแต่เซ็นแล้ว เซ็นสัญญาแล้วเครื่องผ่าตัดหัวใจล้านสี่นะ เ, เครื่องผ่าตัดหัวใจใบายพาดเนี่ยล้านสี่เครื่องท่างหัวใจเมื่อผ่าเข้าไปแล้วต้องถ่างหัวใจถ่างหน้าอกซะก่อนเพื่อจะเป็นผ่าตัดหัวใจได้อันนี้สี่แสนห้าและเครื่องช่วยหายใจอีกหกแสนและก็ะปอดหัวใจเทียมอีกสามล้านสามสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อได้เซ็นสัญญาที่จะซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แกโรงพยาบาลศูงอุดอรเลยเดี๋ยวนี้ห้าล้านห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืนนี่แหละถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ลูกหลานฟังหลลูกหลานก็คงจีคิดว่าเออครูบาอาจารย์พระสงฆ์อยู่ในป่าดงพงายาาอย่างนี้ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมอะไรได้บ้างแต่ถ้าว่าหลวงพ่อพูดให้ฟังอย่างนี้ลูกหลานบางคนก็จะว่าโอ้หลวงพ่อขี้อวดทาไปแล้วก็อวดอ้างให้หมู่ฟัง อย่างนั้นก็มีแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงให้ลูกหลานได้ศึกษาพระสงฆ์ท่านกม็มาได้เิ่งดูได้เดี๋ยวนี้ก็โรงเรียนตำบลมั่นกล้องเลยหลวงพ่อก็แนะนำขอจัดทายาติโยมท่านมาสร้างราคาทั้งสมสมล้านห้าได้ยังเพิ่มโต๊เก้าอี้เขาอีกแสนกว่าบาทเป็นสมล้านหจะป่าเข้าไปถึง3มล้านเจ อันนี้ลูกพ่อไม่ได้เนี่งดูได้ในชุมชนและสังคมที่จะช่วยสิ่งไหนได้ก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเพื่อให้ชุมชนของเราเจริญก้าวหน้าพวกเราจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาการศึกษาการนี้คศึกษาคืออะไรก็คือโรงร่าโรงเรียนส่วนหนึ่งในเมื่อศึกษาเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วเป็นยังไงเครื่องมือแพทย์หมอ ไม่มีเครื่องมือและทําไม่ไงแต่จะคอยแต่รัฐบาลก็ใช่ารัฐบาลมีคุณภาพมองเห็นเกิดประโยชน์นี่ก็ควรจะหาเครื่องมือมาให้โรงพยาบาลเครื่องมือที่จําเป็นเอามาใช้ให้พี่น้องประชาชนมันก็ดีแต่นี้รัฐบาลก็อย่างว่าท่านคงคงจะมองเห็นหลายๆแห่งเหมือนกันให้ไม่ทั่วถึงในเมื่อให้ไม่ทั่วถึงความจําเป็นในท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่เหมือนกันผลที่สุด คนในท้องถิ่นถ้าว่ามีความพร้อมเพียงสมัคคีกันเรื่องที่หนักก็กลายเป็นเบาได้ถ้าว่าพวกเรามีความพร้อมเพียงสมัครคีกันเนี่แหละอันนี้ก็หลวงพ่อก็อาศัยความพร้อมเพียงสมัคคีของคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานช่วยๆกันคนละไม้คนละมือเนี่แหละอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายมองชุมชนและสังคมของพวกเราอย่าไปมองให้เป็นอาหารโ อ, โอชาอย่างเดียว มีตะแกงแย่งกันกินคอรับชงคอรับชั่นในชุมชนสังคมหลวงพ่อมองเห็นแล้วบางทีได้ยินแล้วก็ได้อ่อ น, อ, อ, นอกอ่อนใจเหมือนกันที่หลวงพ่ออยู่ในป่าหลวงพงไพนี่แหละพระสงฆ์ที่อยู่ในป่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อคิดไกลนะอย่างนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลวงพ่อยังไปตั้ง ส, สร้างตึกสงฆ์อาพาธหลวงพ่อยังเป็น เป็นเจ้าประธานเป็นประธานมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นที่สีนนทรินอีกต่างหากไนี่แหละอันนี้ก็คือชุมชนและสังคมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังในเพื่อเป็นแนวการศึกษาของลูกของหลานว่าพระสงฆ์ท่านอยู่ในป่าหงพงไพ่อย่างหลวงพ่อนท่านได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างองค์หลวงตามหาปัวถ้าเราศึกษาดูแล้วท่านช่วยประเทศชาติยังไงโครงการช่วยชาติ ทองคำเข้าทางงหลวงหมื่นกว่ากิโลมากขนาดไหนฮะเป็นเงินเท่าไหร่เนี่แหละอันนี้ก็คือค่ายๆว่าเป็นก้าวใจให้แก่พี่น้องประชาชนรวบรวมกันเพื่อช่วยชาติอันนี้ก็คือการช่วยชาติบ้านเมืองแต่ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนส่วนตัวที่นี่ใ น, น, นหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าลูกหลานเอ้ย ศรทธาญาติโยมเนอะทุกหมู่ทุกเราเราเกิดมาแล้วนะี่ยอายุของเราไม่ยืนนะไม่ยืนยังไงไม่ถึงร้อยปีถึงจุดจบทุกคนตวาตายแล้วไม่สูญนะพระพุทธเจ้าทำไมตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกทําไมจะว่าตายแล้วเกิดเพราะพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าดงพงไพ่ไปบําเพ็ญไปประหนดชงปรวดอยู่ในป่าตั้งหกปีไปค้นคว้าศึกษาทางด้านจิตใจเรื่องจิตวิญญาณ พระ อ, องค์ไปนั่งสมาธิเนั่งสมาธิเหมือนนั่งพระประธานท่านนั่งสมาธิหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นจิตของพระ อ, องค์ใจของพระองค์พระไทยของพระ อ, องค์อองรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตพระใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์น้อมจิตระลึกอดีตชาติผลังได้ จะบอกปุบเพยในวาสานุสติญาณระลึกชาติทูลหลังได้แต่คนเกิดมาชาติเดียวจะระลึกชาติทูลหลังได้อย่างไรงงงไงพระพองค์รละลึกชาติทูลหลังได้เจ้าว่าปุบเพยในวาสานุสติญาณระลึกชาติทูลหลังได้ตายแล้วไม่สูญพระพุทธองค์ตัดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานพวกเราทุกคนนะคิดว่าให้พวกเราเชื่อในธรรมคําสอนถ้าไม่เชื่อก็ให้นั่งภาวนานั่งภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติ พวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองรู้ได้ด้วตนเองอย่างไรเวลานั่งภาวนาจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายของเราในมีสองอยู่เนี่ยสองคืออะไรกายกับใจกายก็คือร่างกายใจก็คือนามธรรมนามธรรมคือตัวผู้รู้อยู่ในเนี่ยตัวตัวผู้รู้เนี่ยแหละออกจากร่างแล้วจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังมัร่างกายเหมือนกับรถ แต่จิตใจของคนเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่พอรถมันเสียรถมันไม่ได้เสียใจนะรถมันก็อยู่จอดอยู่งั้นแต่คนขับรถนี่สิเดินรอบรถเปิดพากระกโปรงแล้วเปิดแล้วสองไล้สองขวาเออมันอะไรมันเสียนะเออเราจะรื้อได้ยังไงเสียได้ที่ไหน เ, เครื่องมันพังแนละ้วมันเป็นยังไง แต่รถมันเฉยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ร่างกายจะเป็นอย่างเหมือนกับรถนะั่นนหะแต่คนขับรถคือใจใจของเราเนี่ยนะออยากจะหาหมดถามหมอจากอะไรมาดูแลรักษาร่างกายนี่แหละพระพุทธเจา้าทว่าตัวคนขับนะามมารถเนี่ยน้ำมะธำตัวนั้นแหละเป็นใหญ่หมโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจมีเป็นใหญ่มีใ จ, ใ จ, ใ จ, ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วตัวใจเพราะนั้นทำคําสอนของพระพุทธเจา้าเนี่ย ท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายให้ความสำคัญจุดนี้อบรมนะใจจะต้องได้ไดรับการอบรมนะใจได้รับการอบรมดีแล้วใจมีปัญญาแล้วใจรู้เหตุรู้ผลแล้วอันไหนผิดอันไหนถูกได้รับการอบรมดีแล้วนั่นแหละร่างกายของเราเนี่ยเออก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนวาจาที่พูดออกไปก็ไม่แข็งกล้าว ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเหตุไรเพราะใจของเราได้รับการอบรมอันนั้นผิดอันนี้ถูกถูกอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรเราใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาอย่าเบียดเบียนกันอย่างที่หลวงพ่อเนีพูดว่าสินห้านั่นนะไอ้อย่าไปก้มต้มโกหกต้ม ต, มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา น, นั้นคือบาจาส่วนกายนี่นก็คืออย่าฆ่าสัตว์อย่าขโมยทรัพย์อย่าประพฤติผิดในการมอย่าไปดื่มสุราอันนี้นคือกาย ส่วนวาจาคืออย่าพูดเท็จอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดคําหยาบอย่าพูดเพ้อเจอ้ออย่าไปพูดหาเรื่องใส่คนอื่นเขาเนี่วาจาถ้าใจของเราได้รับการอบรมดีแล้วการจะใช้กายก็ใช้ไปในทางที่ถูกต้องการจะพูดออกทางวาจาก็พูดไปทางไปในทางที่ถูกต้องไม่เบียดเบีย น, ย น, ยนตนและผู้อื่นนี่แหละพระพยายาราะใจทุว่าใจจะต้องได้รับการอบรมเพราะนั้นลูกหลานที่มาในวันนี้ที่มาว่าสู่วัดของหลวงพอ่อ หลวงพ่อมาอบรมทางด้านจิตใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเห็นจริงจริงไหนที่มันไม่ถูกต้องเออย่าไปคิดถ้ามันคิดก็ไปแล้วทํามันก็ไม่ถูกต้องพราะเหตุไรเพราะคิดผิดล่ะถ้าพูดออกไปก็ไม่ถูกต้องเพราะคิดผิดเพราะคิดผิดแล้วพูดออกไปก็ไม่ถูกต้องทําออกไปก็ไม่ถูกต้องเพราะเหตุไรเพราะใจเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะนั้น ท่านจึงให้เป็นใจของเราเป็นสัมมาทิฐิอคือความเห็นชอบนะพรา น, นันการพูดการแนะแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาลูกหลานก็คงจะเหนื่อยพอแรงอีกเหมือนกันนะะ เ, เดินทางมาไกลนะแต่ถึงยังไงลูกหลา น, เ, นเป็นเด็กหนุ่มนะเออแต่เด็กหนุ่มเลยก็คงจะไม่เหนื่อยแต่ความความง่วงเนะ่าคงจะมีแน่ๆว่าการแต่ เพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะให้เป็นคนดีเป็นทรัพยากรของชาติให้เป็นคนดีของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะทำอะไรก็ตามให้มีเหตุมีผลอย่าไปอิดชา้าตาเหลือ ก, กันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะนะั่ะให้เป็นคนดีให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องต่อทิศทั้งหทิตทั้งหคืออะไรทิตเบื้องหน้ามารดาปิดาทิตเบื้องหลัง สามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องบนสมณพราบทิศเบื้องต่ำํำบริษัทบริวาร น, นี่แหละอันนี้ก็คือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและบุพการีของเราคือใครพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนพื่อให้พวกเรารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในหลักธรรมคาสอนของพระนะุทธเจ้านั้นมีมากถ้าพวกเราศึกษาดูแล้วนั่นคือบุพการี เจ้าฟ้าเจ้ามหากษัตริย์ก็คือบุพภค า, ารีรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้พวกเราร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติของเราไม่แตกแยกรุดพ้นจากมหาอํานาจในยุคสมัยนั้นนะอันนี้ถ้ามาเจ้าไม่ใช่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแล้วนจะเป็นใครนะจากนั้นกับพ่อแม่ของเราที่เลี้ยงดูเรามาก็อย่ามองข้ามเราจะควรจะทดแทนพระคุณท่านได้อย่างไรอนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเรา แล้วกับครูบาอาจารย์ทุกระดับที่แนะนำสั่งสอนพวกเราข อ, ขอให้พวกเราเคารพวัยวุฒิคุณวุฒิพวกเรามีแต่จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและทนี้จากนั้นก็เนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันให้มีความพร้อมเพียงสมัครคีกันอย่าอิดช้ากันอย่ามองกันว่าคนอื่นโง่ตัวเองฉลาดถ้าตัวเองฉลาดจริงก็จะอาศัยหมูสิ แต่ต่างคนก็ต่างว่าตัวเองฉลาดผลที่สุดทะเลาะกันมันเลยโง่ไปทั้งทีมเลยถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าฉลาดแล้วนะเอาความฉลาดหลออเข้าเป็นหนึ่งเดียวจะแก้ไขยังไงทํำยังไงต้องใช้ปัญญาร่วมกันร้อมเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละแก้ไขประเทศชาติบ้านเมืองแก้ไขสํานักงานแก้ไขรายได้ทั้งหมดทาพวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแต่ถ้าว่า แตกแยกสัมมาเกีเอาความดีออกคนละทิตย์คนทางเผยเผยทะเละาะวะแว้งกันได้ง่ายง่ายเพราะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะอันนี้เป็นแนวความคิดนะเป็นแนวความคิดแนวบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาคิดว่าการ กล่าวสมุิทนิยาคถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติและก็ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนารายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองขอให้ลูกหลานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบในขอบเขตของศีลธรรมขอขอให้สาเร็จ สมความมุ่งมาตนปรารถนาทุกประการเทิน